เทศในที่ประชุมสงฆ์วันที่10กันยายน2555ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการแสวงหาทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกมีลักษณะเช่นเดียวกันคนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ขัดข้องหาได้ยอย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นคนโง่และลำบากมาก ก็เห็นได้ในที่ทั่วทั่วไปเช่นคนทุกจนมีจํานวนมากคนมั่งมีมีจำนวนน้อยนี่ก็พอสังเกตให้เห็นแล้วว่าคนโง่มีจํานวนมากคนฉลาดมีจำนวนน้อยก็อย่างนั้นคนที่ทุกๆจนต น, นจึงมีจำนวนมากกว่าคนมัง่งคั่งสมบูรณ์การแสวงหาทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีก็เช่นเดียวกัน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 คุณคุสนที่จะพึงได้รับข้อมีน้อยแต่พระหน้าบวชของเราบวชมาในพระพุทธศาสนามุ่งหน้าจะบำเพ็ญตนให้พ้นจากครุกเหมือนคนผู้มุ่งความเป็นเสร็จีโดยถ่าเดียวอันหนึ่งเจตนาของคนในโลกมีอยู่สามประการคือคนบางจำพวกเกิดขึ้นมาในถ้ง กางแห่งความยากจนคนแทนเพราะพ่อแม่เป็นคนโง่และผัดสนจนทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มีจับจ่ายเป็นอยู่ด้วยการขอทานเข้ามารับทานจนชาติเรียกขอทานตามจอกตามชอบมุมถนนและตามหน้าร้านต่างๆมารับทานพอปากพอท้องบ้างไม่พอบ้าง ลูกก็รวมมาสายกรรมอันเดียวกันเพราะวัสนาขนาดนั้นก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ผู้อาพาวัาสนาเช่นนั้นลูกจึงไม่มีแก่ใจที่จะคิดถึงความมั่งมีคิดถึงความเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างโลกเขาผู้มั่งมีข้าพ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดเป็นตัวพิมพ์ให้ลูกๆเห็นดูแล้วลูกเกิดมาก็เป็นคนโง่และเจียจคร้านเหมือนพ่อม่ อยู่กับพ่อแม่ก็ทุกตนและพาขอทานเขกินวันหนึ่งอืนมบ้างไม่อืมบ้างขนาดนี้ก็ยังดีอยู่บ้างแต่ถูกพ่อแม่บางคนทุกตนแล้วยังไม่พอยังเที่ยวหาฉกครับกล้นขี้เอาของเขามากินสิ่ของหรืออาหารทุกชิ้นที่ได้มาเลี้ยงลูกก็เป็นการสอนลูกในตัวว่า สิ่งที่ได้มาเลี้ยงลูกนี้คืออะไรและได้มาจากไหนโลกก็เป็นการศึกษาจากข้อแม่ไปอีกเหมือนกันไม่ได้สิ่งของบริสุทธิ์มากินแต่ได้มาด้วยความทุจริตคือฉุกลักจนเขามาทั้งนั้นพอลูกเติบโตขึ้นมาไม่ต้องคิดหาการท้างานและความรู้วิชาตามไ้ที่จะควรศึกษาหาความรู้ความฉลาดเฉ ต, ตัว พ่อพ่อแม่สั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วคือการจกรักนตนอีสะบัดจักจอกทอโกมตีขิงนิ่นลาวและความที่เกียดที่คร้านสันดานไม่เป็นที่ไว้วางใจเรียนวิชาเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานกรมคองทันธนิคมที่เขาถือกันว่าเป็นวิชาและงานที่ต่ำซึ่งคนเมืองดีก็ทั่วไปไม่ทากัน ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ตั้งตัวเป็นกระดานดำอันเต็มด้วยตัวหนังสือคือความประพฤะติในมารยาททุกๆอาการที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วลูกๆทุกคนเกิดมาได้รับการศึกษาหัดทำหัดโทษหัดคิดทุกอาการเป็นการศึกษาจากพ่อแม่เสียจนเตียงพอเพราะตัวหนังสือและหลักวิชาทุกๆแขนงมีอยู่ในกระดานดำคือพ่อแม่เพราะมูลแล้ว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 ประเภทไฟเผาโลกไว้ในตัวเสร็จพอใหญ่โตขึ้นมาบ้างก็เริ่มทำหน้าที่แทนพ่อแม่โดยเริ่มลักเล็กขโมยน้อยเป็นลำดับไป ค, ค่อยๆกลายเป็นคนชั่วกระพุตตัวเป็นเสือร้ายทำความเดือดร้อนแส็ชาวบ้านชาวเมืองให้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข์ย่งยากมีจุดสำคัญคือจุดไฟไม่บ้านไหม่เมืองแบบลับไม่ไหว ความกลายเป็นคนเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะพ่อแม่เป็นแดนเกิดก็มีเพราะเกิดจากนิสัยของเียบกใ้เองก็มีเพราะการครบคนชั่วสนดานชอบพุทธจิตก็มีคนประเภทหนึ่งคิดไปในแถวนี้มีคนประเภทหนึ่งคิดว่าแม่เราไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่มีพอใช้พอรับทานเสมอบ้านเมืองเขา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 ศึกษาความประพฤติการงานตลอดมารยาททุกอย่างรับถ่ายทอดวิชาจากพ่อแม่ไปชายก็กลายเป็นคนนมึงดีมีสมบัตพอจับใจใช้สอยไม่ผิดเรื่องเขามีอะไรก็พอมีกับเขาไม่ทำความอับอายขายหน้าพ่อแม่ญาติบงและตัวเองจะครอบค้าสมาคมกับใครๆ ก, ก็ทำด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนอักแสงต่อวงญาติและสังคมทั่ทวไปเป็นคนทำ <c oughs> ตัวให้เป็นไปในแถวแห่งความคิดของตนจนกลายเป็นคนเมืองดีและมีสมบัติใ้่ไหมอดอยากขาดแคลนคนประเภทที่สองคิดไปในแถวนี้คนประเภทที่สามมีความรู้สึกแปลกจากสองจำพวกที่กล่าวมาโดยคิดว่า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 กิจการทุกอย่างทั้งทางคดีโลกมีการค้าขายเป็นต้นทั้งคดีธรรมมีการให้ทานรักษาศีล น, นั่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นต้นเป็นกิจที่ลูกจะศึกษาและรับถ่ายทอดได้จากพ่อแม่ทั้งนั้นฉะนั้นพ่อแม่ของเด็กจึงไม่ควรประมาทในความประพฤติ ด, ดีชั่วว่าเด็กจะไม่สามารถศึกษาและรับถ่ายทอดจากตนได้แล้วทาไปตามความชอบใจ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 ฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นแม่พิมพ์ของลูกๆสาคัญยิ่งกว่าใครๆทั้งการเลี้ยงดูทั้งการให้ความรักและความสนิทสนมแก่เด็กซึ่งเกิดกับเราทั้งให้การศึกษาในหลักธรรมชาติและหลักวิชาที่เด็ดเกควรจะเรียนจากพ่อแม่เพื่อเป็นพื้นเผยของเด็กเพราะเด็กทุกคนเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นนักศึกษาและถ่ายทอดจากผู้ให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 ลูกต้องรับถ่ายทอดจากพ่อแม่อยู่โดยดีเราจะเห็นได้จากพ่อแม่ของเด็กถือศาสนาอะไรจะผิดหรือผิดผดูกดีชั่วไม่สำคัญแม่พระภูมิเจ้าที่ซึ่งมีอยู่ในที่ทั่วไปพ่อแม่พาถืออะไรจะเป็นศาสนาหรือลัทธิอะไรลกูลกๆต้องรับถ่ายทอดไปปฏิบัตินับถือสืบสืบกันไปถ้าพ่อแม่รักศีลรับธรรม ลูกๆ ก, ก็ถือเอาเป็นแบบฉบับและรักศีลรักธรรมพร้อมทั้งการปฏิบัติตามที่พ่อแม่เคยพาทำมามีคนประเภทที่สามมีความขยันหมั่นเพียรมากผลปรากฏให้ดีเด่นกว่าคนทั้งสองประเภทที่กล่าวมาเมื่อแยกออกเป็นประเภทแล้วคนประเภทที่หนึ่งเป็นคนเกลียดคร้านมากและโง่ที่สุดทั้งทาตัวให้เป็นคนเนสราม และเป็นที่ดูหมิ่นเหย็ดย้มของคนนุมงอดทีทั่วไปคนประเภทที่สองมีความขยันหมั่นเพียรและมีสมบัติพอประมาณส่วนคนประเภทที่สามมีความมุ่งมั่นจะให้มั่งมีเหนือโลกเขาทั้งนั้นทั้งมีความขยันหมั่นเพียรมากพอตั้งจุดไว้สูงจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ความอดทนก็มากความเพียรในหน้าที่การงานก็มากวิ่งเ้นขวัขวายหาการหางานเพื่อซับสมบัติ หมุนตัวเป็นเปรียวอยู่เพื่อความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดรอบครอบในการงานทุกแขนงไม่นิ่งนอนใจคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญคนควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดประชาคน ท, ทั่วไปได้เป็นอย่างดีนักบวชเราในคนประเภทที่หนึ่งบวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขาบวชพอเป็นพิธี บวชไม่ได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอัตถมไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดีบวชเพียงเลี้ยงชีพอยู่เป็นสุขก็ไม่ต้องสงสัยเหมือนอย่างคารวะบวชมาแล้วความขี้เกียจขี้ข้านก็มากการทะเละาะเบาะแรงกับหมู่เพื่อนก็ลือนาะแทนที่จะเป็นบุญกุศลเพราะการบวชตามที่เข้าใจกันแต่กลายเป็นบาปหาบทุกข์ใส่ตัวเองและทุกเกี่ยวข้องก็มีมาก นักบวชประเภทที่สองเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลถ้าพอจะพ้นทุกข์ไปได้ก็ขอให้พ้นไปว่าบุญมีก็ขอให้ได้บุญว่าบาปมีก็ขอให้รู้เรื่องของบาปและบุญจริงๆเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความฉลาดพอประมาณการประพฤติปฏิบัติก็ทําี่ในก็ดีไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนด้วยกัน มีความสนใจในการศึกษารเรียนและด้านปฏิบัติในใจสิกขาดุสินสมาธิปัญญาด้วยความเพียรเป็นผู้บอกนอนสอง่ายและเชื่อถือในหลักถ้าทรมินัยประกอบกิาการงานด้วยความสนใจและหลักเหตุผลนักบวชประเภทที่สามบวช ด, ด้วยอำนาจความเชื่อความล่้มสายจริงๆแม้เบื้องต้นจะยังไม่ได้รับการศึกษาเรียนจากครูอาจารย์พอสมควรก็ตาม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 ยิ่งได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านจังสอนก็ยิ่งเกิดความเชื่อความรู้สยอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจมีความปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกโดยท่ายเดียวยืนเดินนั่งนอนมีความปรารถนาอย่างนั้นไม่ลดลนะในอิยาบททั้งสี่มีความมั่นใจทําตนให้พ้นเสมอไปผู้นี้แหละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมาก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 ที่มีอยู่ตามวิสัยของปุถุชนต่างใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาพพื้นนี้ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็น <c oughs> สติที่รู้ทันและกลายเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดรอบรู้ต่อความเคลื่อนไหวของตนจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้มีทางโลกก็มีคนสามประเภท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 เราคนเดียวสามารถเป็นไปได้ทั้งสามชนิดชนิดที่ทำตัวให้เร็วให้เรสามมีแต่ความเกลียดคร้านไม่สนใจใครต่อการปฏิบัติธรรมทำตัวให้หมดราคาก็ได้จะทำตัวให้เป็นคนชนิดที่สองก็ได้หรือชนิดที่สามก็ได้แล้วแต่ความชอบใจและต้องการจะแปลความคิดความเห็นของเราด้วยการวาจัยถ้าเราต้องการให้เป็นคนชนิดใดก็แปลกาวยวาจใจของตนให้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 และความเคลื่อนไหวของตนและมีปัญญารอบคอบกับเคลื่อนของตนเสมอไปอย่าปล่อยให้ความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเคลื่อนคลาดออกไปสู่ทางผิดพยายามฝึกฝนอบรมบสติ ป, ปัญญาให้สัมพันธ์กับอาการเคลื่อนไหวของตนเสมอไปทางนี้ไม่เป็นการรักษายากเหมือนรักษาสมบัติภายนอกสมบัติภายในติดอยู่กับตัวซึ่งพอรักษาได้เราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียว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 ทั้งนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่ระวังสังรวมตนทั้งนั้นไม่ได้นอกไปจากเรื่องไม่สังรวมนี้เลยถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกในชาตินี้จงเห็นไทยในความผิดและความประมาทความทั้งเผลอสติว่าเป็นฆาตศึกต่อตอนเองถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันจะก่อให้เกิดปัญหาอาชวะที่เรียกว่าสมุทยัยแดนเกิดแห่งทุกข์ว่าเป็นของดีด้วยแล้วอย่างไรก็ต้องจม เอาตัวไปไม่รอดจงนี้ปลดเครื่องสิ่งเหล่านั้นทันทีอย่าปล่อยให้นอนหมักห ม, มอยู่ในหัวใจของเรามีผู้เห็นภัยต้องเห็นการสังสมกิเลสขึ้นในตนว่าเป็นตัวภัยพ่อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านะกระดานฝาเรือนซึ่งเป็นเครื่องรักษาภายัยให้เราเป็นชั้นๆการทาจิตวัตรที่เรียกว่าเป็นความเพียร ต้องมีสติประจำอยู่กับจิตวัตรนันนั้นอย่าให้เผลอเดอบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบครอบต่อตนเองเสมออย่าปล่อยไปตามกระแสะของความสักดันซึ่งเคยเป็นนิสัยของกันเรื่องจิตแล้วอย่างไรท่านเหนือจากความพยายามและการบังคับของเราไปไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติอย่าเอาสติไปคาดไว้ทางหน้า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 ครูอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อรือนามในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์มั่นของเราสาหรับผมเองที่มีความเคารพเลื่อมใสในท่านและในพระคุณของท่านผมยกให้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจจุบันตามที่เข้าไปศึกษากับท่านจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของท่านผิดแปลกจากวระทรมี่นันไม่มีเลย ปฏิวทาของท่านกรมเกลียวกับพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สงสัยของบรรดาท่านที่ไปศึกษาเท่าที่ผมเนี่ยเยผ่านและได้อยู่อาศัยกับท่านมานับวัดลงกับแนวทางสุปฏิปนโนุชุญายะสามีปฏิปนโนไม่แยกทางเดินกันเลยท่านพระอาจารย์มั่นนำเนินเบื้องต้น <c oughs> ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงการพยายามตึกหัดสติ ท่านชอบอยู่องค์เดียวถ้ามีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกขัดข้องไม่สะดวกจากการบำเพ็ญธรรมรถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าสติกับปัญญากรมเคลียวกับความเพียตรตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเป็นไตกับความเพียรแระหนึ่งมือกับงานไม่ปราศจากกันทำงานอีตลอดเวลาสติกับจิตรวมกันเข้าเรียกว่าความเพียร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 ก็อิจนาละอาจัยพอแล้วมินำยังเห็นเรื่องความเกิดแจ็บเจ็บตายของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดความทุกข์ทรมานระหว่างสัตว์ตัวมีอำนาจน้อยกับผู้มีอำนาจมากกดที่บังคับทำทารุณโหดร้ายต่อกันเนรับความทุกข์ประจักษ์ตาเป็นเหตุให้เกิดความสลดจังเมตต่อเหตุการณ์นั้นๆ เป็นกําลังเพิ่มขึ้นโดยลําดับเพราะเหตุนั้น <c oughs> จึงไม่ขอเกิดอีกในชาติต่ตอไปวิถีจะไม่ขอเกิดอีกนั้นขอถือความเพียรเป็นศักดิ์ศรีพยานภายในใจอยู่ที่ไหนขอให้เป็นไปกับด้วยความเพียรเท่านั้นไม่ประสงค์สิ่งใดซึ่งจะเป็นการเนื่นชา้าต่อทาง้นทุกข์มีธรรมดห้ต่างตามโอกาสอควรท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับความรู้ความฉลาดมากน้อย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 มีตามที่ทราบจากท่านมาเรื่องวิถีจิตของแต่ละท่านย่อมเป็นขึ้นจากจำเพาะตนเองจะไปเ ร, เรียนแบบจากกันมานั้นมันเป็นไปไม่ได้ตล อ, อดความรู้ต่างๆใ น, นแง่ธรรมละจำนวนวหารซึ่งจะนำมาตัางสอนมู่เพื่อนและประชาชนต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามภูมิสัยวาสนาเหมือนเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ใท้สมบัติของเศรษฐีเอง คนจนมีสมบัติน้อยเขาใชสมบัติของตัวใครจะมีจะจนต่างเขาใชสมบัติที่ตัวหามาได้ทำนั้นเรื่องนี้สายวาสนาใครจะมีมากมีน้อยกว้างแคบย่อมขึ้นอยู่กับตนเองโดยเฉพาะจะไปหยิบยืมกันมาใช้ไม่ได้อาศัยวาสนาของตนเกิดขึ้นจากตนเองเพราะเหตุนั้นกิริยามนุษย์อัยาศัยตลอดทคำพูดจาปราศัยความรู้ความฉลาดลึกตร้น จึงมีความแตกต่างกันตามนิสัยวาสนาแม้เราจะศึกษาอยู่กับท่านเป็นเวลานานก็าตามแต่จะประยุกต์เอาอัตธรรมจากท่านมาเป็นสมบัติของตนตลอดการนำบัณฑแดงให้ใครๆฟังสำหรับผมเองแล้วรับไปไม่ได้นอกจากเรามีนิสัยวาสนาความรู้ความสามารถมากน้อยก็อาศัยไปตามกําลังของเราเท่านั้นจะเป็นความพอดีและไม่เลยขอบเขตความงามของตนสําหรับท่านอาจารย์มั่น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 มาทราบเมื่อภายหลังจะถูกหรือผิดก็ขออาภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะท่านเจลาดมากสมกับเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเหตที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญสำคั ญ, คญมีอยู่สองประการคือผว้มุ่งต่ออาต่อมาจริงๆจะนำเอาธรรมะของท่านไปเป็นโลกบางหน้าโดยแอบอ้างมากเป็นของนแล้วประกาศโฆษณาขายกิน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 จึงกลายเป็นความโง่โดยไม่รู้สึกตัวซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจจริงๆํำคัญสุดไปบ้างเพราะความไม่รอบคอบของตนอาจจะมีอยู่บ้างในประการที่สองทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งเยกนาหวังดีในหมู่เพื่อนท่านอาจารย์มั่นท่านจนหลาด ทั้งภายนอกภายนภายนอกท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยเอาง่ายฟังจากท่านแล้วต้องไปตีความหมายเอาเองถึงสองสาวันก็มีผมเองเคยคิดอย่างนั้นสำหรับหมู่คณะจะคิดหรือไม่ผมไม่มีโอกาสทราบได้เฉพาะผมแล้วใจ ต, ตรองคำพูดของท่านซึ่งตนถือว่าเป็นอุบายอย่างเต็มกำลังบางครั้งตีปัญหาในคาพูดของท่านถึงสามวันยังไม่รู้เรื่องเลยจาเป็นต้องเข้าไปกราบเพียนถามท่านว่า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 ก็หมดขนทางโดยไม่ต้องสงสยัยท่านอาจารย์มั่นคงคิดทํำนองนี้จึงไม่ยอมแก้ปัญหาข้อห้องใจในเวลาไปรเรียนถามท่านการศึกษาจากท่านไม่เพียงจะศึกษาข้ออัดข้อทำโดยทายเดียวยังต้องพยายามทําตนให้เชื่องชินต่อข้อวัดปฏิบัติคือทางดําเนินที่ท่านผ่าดำเนินจนเป็นที่เชื่องชินติดจิตติดใจกายวาจาของเราการอยู่กับท่านเป็นเวลานานเป็นทางกลงตื่นนิสัยนข้อวัดปฏิบัติตลอดคุณงามความดี ความรู้ความเห็นเป็นการถ่ายทอดจากท่านวันนั้นเก็น้อยจนกลายเป็นความมั่นคงขึ้นในตัวเองเพราะการอยู่กับท่านความปลอดภัยมีมากโดยมากผู้เข้าไปหาท่านและศึกจากกับท่านย่อมได้รับความเชื่อความลิ่มใสเพราะท่านเป็นธรรมอยู่แล้วผู้เข้าไปอาศัยย่อมเป็นธรรมตามฐานะของตนนอกจากนั้นยังเป็นความเคยชินต่อการระวังทั้งรวมอีกด้วย หากว่าได้จากท่านไปเราเป็นผู้สนใจต่อทำอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวได้โอยบายต่างๆที่ได้รับจากท่านเวลาเราอยู่กับอาจารย์มักผลนิพพานดูเหมือนจะเอื้อมมือถึงทําอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันปรากฏผลขึ้นมาเป็นนลำนับเมื่อจากท่านไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นคนน้ำมุมโลกไปถ้าจิตไม่มีหลักฐานโดยมากต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจิตมีหลักฐานคือมีสมาธิและมีปัญญารักษาตัวอยู่ที่ไหนก็ดี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 ลงได้เกิดขึ้นแล้วถ้าตามหมอหมอไม่มาเราต้องไปหาหมอไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายข้อห้งใจชนิดสําคัญนี้เมื่อปรากฏขึ้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขตนเองได้ต้องรีบไปหาครูอาจารย์จะปล่อย ห, หายโดยลําพังย่อมเป็นไปไม่ได้ผลปรากฏจากข้อห้องใจซึ่งไม่ยอมแก้ไขจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นค น, นเผลอเลอหลงหลงดื้อๆกลายเป็นค น, คนบ่บ่ไปบ้างอย่างมากถึงเป็นบ้าไปเลย ที่โลกให้นามว่าทำแตกโดยมากเกิดจากปัญหาข้อหงใจซึ่งตนไม่รู้วิธีแก้ไขและไม่ยอมแก้ไขปลอยไว้นานๆไปก็ปรากฏผลสองอย่างขึ้นมาปัญหาดังจาานี้ผมเคยเป็นในจิตใจของผมเหมือนกันวันท่านอาจารย์มั่นมรณาภาพผลได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้ว เพเวลานั้นใจของผมยังมีอะไรอะไรอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่คิดถูกจุดสําคัญที่เรากําลังติดและพิจารณาอยู่อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยคี้ได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งเป็นเวลาเร่งความเสียรอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้ว จึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาอยู่โดยํำพังตนเองและตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะทิ้นสุดลงจากใจโดยที่เชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นานผมเข้าไปกราบเท้าท่าน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 ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเริ่มใสหาประมาณนี้ได้ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนี้อันิจจาวัตสังคาราเรือนร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันเริ่มใสและอาลายยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักของเรากับเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกาย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 ตามหลักธรรมบทว่าแต่สร้งางบุปะสโมสุขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรุงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาเหมือนสมมุติทั่วไปจิตแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากภพชาตเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคนละชิ้นจะต่อให้ ติดกันอย่างสนิทบีดนั้นเป็นไปไม่ได้ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื่องกับท่านบัดนี้เราจะปลดเปลื่องกับใครและใครจะมารับปลดเปรื่องปัญหาของเราให้ขิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มัน่นไม่มีแล้วเป็นกับตายมีเราคนเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้งชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้นแต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจําวันก็ได้กิ้นไปใช้แล้วในวันนี้เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรคเมื่อนัง อ, อาลัยอวรนถึงท่านด้วยความเคารพรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งความหมดหวังในท่านก็ได้อุบาต่างๆ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 ภายในเสียอย่างไรก็ไม่เสียหายท่านสอนอย่างนี้ก็จับเอาเงื่อนนั้นไว้แล้วนําไปปฏิบัติต่อ ต, ตเนเองเต็มความสามารถ <c oughs> มีความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อยอย่างเราเราเห็นกันอยนู่และต่างจะได้ผ่านไปเช่นเดียวกันความยากลําบากมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องผ่านทางสาเหตุไปด้วยกันและต้อง ผ่ <c oughs> านทางลำบากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้ ง, ท, งทางโลกและทางธรรมเพราะใครๆไม่เคยเป็นเจดถีมาด้วยความเจ็ดค้านอนบี้เฉยต้องเป็นขึ้นเพ่อความขายันซึ่งจะต้องยึดความลำบากเป็นเส้นทางเดินเท่ความลำบากเพื่อผลที่มุ่งหวังโดยถูกต้องเป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจำแม้ทางธรรมก็ควรทราบว่าความลำบากเป็นทางเดินของนักปราชญ์ทุก ทุกๆท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่าทุกข์านันตรังสุขขังมีสุขเพราะยึดความลำบากเป็นทางเลยทางทุกข์ก็มีบทธรรมอ้างไว้ว่าสุข์คานันตรังทุกขังคนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเลย ผูมีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือความลําบากเป็นอุปสรรคฝึกหัดคิดค้นในสภาวัธรรมซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่หยุดยั้ยงคุณนั้นก็จะเป็นคนประเภทที่สามเรียกว่าประเภทที่จะไม่ขอเกิดในโลกอีกแล้วจะกลายเป็นตเัเพศเตสร้างบูปะสโมสุโ ข, ขความระงับดับเชื้อแห่งความเกิดเป็นสังขารทุกๆประเภทเป็นความสุขปราศจากโลกาภิสิณก่อกวน และเป็นความสุขที่สมหวังโดยแท้จริงฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงเปนหนักใจในคนทั้งสามประเภทนี้แล้วเลือกเฟ้นเราเองว่าคนประเภทไหนเป็นประเภทที่เยี่ยมอยู่ในตูของเราหนาบานัดนี้เพราะเราทำได้ด้วยกันทุกคนโดยไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรเพื่อพ้นทุกไปตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพ่จะคาดพอจะรอ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 พ่อโลกตั้งเป็นเช่นเดียวกับขันของเราที่ครองตัวอยู่ี้ฉะนั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจในความหมุนเวียนคือความเกิดตายจงมั่นผู้มีความไม่ประมาทเสมอไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดพรอเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรงเราอย่าสงสัยว่าจะเป็นดอกบัวอย่าสงสัยว่าจะเป็นข้าต้มขนมและอย่าสงสัยว่าจะเป็นอาหารหวานขาวพอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำจำราน แท้จริงก็คือยาพิษนั่นเองเป็นสิ่งร่งลอลวงผู้โง่เขลาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับขมกันอยู่ในโลกกองทุกข์อันนี้แต่ถ้าตายในความเป็นมนุษย์ก็ยังดีเพราะช่องที่จะให้เกิดเพื่อนานาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้เพราะความโง่ความหลงนั้นนับจานวนไม่น้อยจึงไม่มีโอกาสจะทราบว่ากรรมจะพาไปเกิดช่องไหน ดังนั้นจงพากันเห็นภายในความเกิดตายท่ามท่าทั้งมันน่นอนด้วยว่าจะไปเกิดตายในกำหนดอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ก็พอทำเรากลัวจะถาลายไปเป็นสัตว์มีดิฉานให้เขาฆ่าเขาตีจนฟกท่ามําเสียวหมดทั้งร่างนั่นมันสำคัญถ้าเหรือตายก็หายใจอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญหายตัวตายก็ตายไปแ็่ยังมีชีวิตอยู่ก็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 เกาะใดบ้างพอจะเย็นถึงจิตใจผู้ครองชีวิตแต่ละขันนะขันชื่อนะว่านักปฏิบัติแล้วต้องคํานึงคํานวณรายได้รายเสียรายดีรายชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากขันของตอนวันหนึ่งคืนหนึ่งในรอบที่สี่ชัว่วโมงที่เราไม่สบายเพราะเป็นการขังวลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะขันหรือเพราะอะไรมาทําให้เราลําบากขงังบนยืนเดินนั่งนอน เพื่อขันรับทานหรือฉันเพื่อขันแท้อาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้นถ้าไม่เพื่อขันต้องแตกเพราะทุกบีบคั้นที่ทำท้งนี้ก็เพื่อเยียวยากันไปเล็กๆน้อยๆเมื่อทนไม่ไหวก็แตกนี่คือภาราัวเวปัญจักขัณฑาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแท้ท่อต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเขาเราจะถือว่าเป็นของหนัก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 ผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันในอดีตทั้งขันในอนาคตว่ามีลักษณะอันเดียวกันกับขันที่มีอยู่กับตัวของเร า, าในปัจจุบันนี้ขอแต่บังคับใจให้อยู่ในกรอบแห่งใจรลักซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายและจิตใจตลอดเวลาแม้จิตจะมีความฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิมสักเท่าไหร่ก็ทนต่อสติกปัญญา ประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนเป็นไม่ได้เมื่อยังไม่คร่องแคล่วก็ต้องบังคับถูถายกันไปถ้าสติกับปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้แล้วจะเหมือนความสว่างกับยองไฟซึ่งปรากฏขึ้นพร้อมๆกันเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกหัดจนเกลียงไกลอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่จะต้องถูถายกันไปตลอดเวลา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 ถึงขั้นทำงานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจแล้วทุกประเภทถ้าถูกมหาสติมหาปัญญาทังหารจนหมดเช่นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือพุทโธทั้งดวงธรรมโมก็เป็นของอศัศจรรย์ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงทาความพยายาม และจงเห็นภาระที่จะเป็นไปทั้งหน้าเท่ากับภาระคือความเกิดจากเจ็บตายที่เป็นอยู่ในสัตว์สังขารซึ่งประจักษ์กับเราอยู่ในวันนี้กลับจะมากยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่ทราบว่าจะขนาดไหนจึงควรทําตัวให้พ้นไปเสียได้ในชาตินี้โดยประจักษ์กับใจของเราเองอยู่ที่ไหนก็สบายหมดปัญหาเรื่องก็เกิดจาตายไม่ต้องไปนึกถึงที่ไนไหนรู้อยู่กับใจที่บริสุทธิ์นี้เองฉะนั้นขอให้บรรดา <c oughs> ท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปพิ จ, จารณาบำเพ็ญตนเรื่องความอ ง, องอาจกระาหาญต่อตราิพิ์ขาคือสีสมาสิาัญญาข้อหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเทศที่สามจะกลายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าทำได้เห็นทาที่จะแสดงมาก็เห็นว่าสมควร เ, เวลาคนที่ติดลงด้วเวลาเพียงเท่านี้เทวัน